เรื่องที่8ทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระพระพุทธพาสิทธิ์อาสาเรสาระมัติโนสารจะอาสารัตสิโนเตสารังนาทิคัดฉันติมิจฉาสังกับปะโคจราสารัญจะสารโตยัตตวาอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอาทิคัตฉันติ สัมมาสังกัประโคจราบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำ m ริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ บุคคลนั้นมีความดำริถูกประจาใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาสิทธินี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่า ความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทาชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจำเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห่วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่ มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนำชีวิตไปสู่ความล่มจมล้มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกหินโศโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออาสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือก และมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องประกอบอาจารย์สันชัยสันชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งในบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชเชครื้สันชัยพ่อใจเป็นนักพรตประเภทปริภาดชกดังนั้น บางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริภาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคันลานนะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสะและโกลิตตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นครวาดอุปติษฐะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกัน และมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาเจ็ดชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปาศาสตร์นันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงความสาเร็จทุกประการ เขาชอบไปดูมหระพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติษฐามีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโปลิตะจึงถามอุปติษะตอบว่าสหายเอยย้าพระเจ้าคิดอยู่ว่า คนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจกต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะสแสวงหาโมกะธรรมโกริตรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกสแสวงหาโมฆะธรรมคือธรรมอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การสแสวงหาโมฆะธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่ง ทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละห0 0ออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสาวันอุปติษฐและโกลิตตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้ว เขาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของอาจารย์สันชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกบวชเพื่อสแสวงหาโมคะธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีตนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีคงจักได้พบอาจารย์ผู้แสดงโมฆธรรมเป็นแน่แท้ ตั้งแต่นั้นใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทำการสากัดฉากับสมณพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามได้เขาเที่ยวสแสวงหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่า ใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคลึประทับอยู่ณเวลุวันอันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวโกรูปหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์คือพระอัศชิออกบินธบาตในกรุงราชครึในเช้าวันหนึ่งอุปติสระบริโภคอาหารเช้าแล้ว ก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัศชิแล้วรำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจักเป็นรูปหนึ่งรูปใดในบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหันตผลในโลกชไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกําลังบินทบาทจึงติดตามไปข้างหลัง เขาเห็นพระเถระได้อาหารบินทบาทพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตั้งของปริพาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำในกุณโถของตนถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องสายยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดพอง ท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัศชิคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจักแสดงความซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวทำตนก่อนว่ากู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัศจิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวง อันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณนะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ อุปฏิสสะปริภาชกฟังแล้วเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัชชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่นเวลุวันบาลันทกะนิวาปะ ปริภาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพระเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทําสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพระเจ้าจากไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสด า, ศาเขามอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคับประดิษฐ์ประทำประทักศิลสามรอบ แล้วไปสู่อารามของปริพาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกริตะผู้สหายโกลิตะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสะบอกความทั้งปวงแล้วโกลิตะก็ได้สำเเ็จโซดาปฏิผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดา แต่อุปติสระระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศัษษษสดาด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีกเมื่อสองสหายขยันขยอนหนักเข้าสันชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมาก สองสหายตอบว่ามีคนโง่ามากสันชัยจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณโคโดมเถิดส่วนพวกโง่โงจงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปศิษย์ในสำนักของสันชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลง สันชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิของสันชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามสหายไป250คนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวลุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททอดพระเนรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกลิตตะกำลังมาเขาทั้งสองจากเป็นอัครส า, าวกของเราสองสหายถวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขูอุปสมปทาคือการอุปสมบทที่พระาศาสดาทรงประกอบเอง เพียงแต่ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุได้เท่านั้นก็ครองจีวรได้ไม่ต้องมีพิธีอะไรแล้วพระศา ส, สดาทรงขยายพระธรรมเทศนามุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สำเร็จอรหัตผลส่วนสองสหายยังไม่ได้บรรลุ เพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังการมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตรตรองมากมิได้โปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายแล้วใคร่ครวรให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อ แต่คนพวกนี้พอสำเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุนาลางานังการอันเป็นบริวารรธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติษได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรบุตรของสารีพรามณีส่วนโกลิตะได้นามใหม่ว่าโมคลานะเพราะเป็นบุตรของโมคขลีพรามณีพระโมคลานะบวชแล้วเจ็ดวัน ไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านกันละวาละมุตตะในแค้นมกตนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศาสดาทรงแสดงธรรมบรนเทาความง่วงแล้วทรงแสดงทาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหันตผลฝ่ายพระสารีบุตรบวชแล้วได้เครื่องเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกราขาตากับพระศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิดชกูด เมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริฆาตสูตรคือสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนาแก่ทีฆนักขาปริพาชกล้านของตนอยู่ได้ส่งญาณไปตามกระแสแห่งพระธรร ม, มเทศนาได้บรรลุพระอาหารหันตผลประดับด้วยคู่นาลังการทั้งปวงมีปฏิสัมพิทาสี่และอภิญยาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเอง พรัศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวลุวันประธานตําแหน่งอัครสาวกแก่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานนะแล้วทรงแสดงพระปาติโมท่านอาจารย์วสินได้ให้ความเห็นไว้ว่าน่าจะเป็นโอวาทปาติโม่กล่าวคือทรงแสดงพระโอวาทอันเป็นหลักในศาสนาของพระองค์เพื่อภิกษุทั้งหลายได้จดจาและเผยแผ่ต่อไป ขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะภิกษุทั้งหลายติตเตียนพระาศาสดาว่าทรงประธานตําแหน่งอัครสาวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตําแหน่งอัครสาวก ค, ควรตกแก่พระปัญจวัคคีรูปใดรูปหนึ่งมีพระอัญญาโกนธัญยะเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยศ ะ, ะพวกพัทธวคคีสามสิบ หรือคณะชดินสามพี่น้องมีอุรุเวและกัดโศกเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระศา ส, สดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียทรงประทานตำแหน่งอัครส า, าวกแก่ผู้บวชใหม่เพียงส5ห้าวันไม่ควรเลยพระศา ส, สดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตาแหน่งอัครส า, าวก แกสารีบุตรโมคลานะเพราะอัคติเห็นแก่หน้าก็หาไม่เราให้ตามโนปนิทานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกณทัญญาและภิกษุเหล่าอื่นมีได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอครสาวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าอุพกรรมและปนิทานของภิกษุนั้นนั้นมีของพระอัญญาโกณทัญญะเป็นต้น จนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสรทธาดาบุตรภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายค้่องใจเรื่องปุกพรกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอัถกถาธรรมบุท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิดข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไป รวมความว่าทุกท่านได้ตําแหน่งอันเหมาะสมแก่บารมีและมโนปณิธานของตนเมื่อพระศาสดาตรัส จ, จบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคันลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลุดจิตในการไปดูมหระโศ บ, บนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัศชิแล้วชวนอาจารย์สัญชัยมาเฝ้าพระศาสดา แต่อาจารย์สันชัยหามาไม่เพราะอ้างว่าเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นสิทธิ์ของใครได้อีกพระาศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสันชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสอง รู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตและทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละ